เสียงานหนังสือประวัติสมเด็จพระพุท ธ, ธาารย์โตพระมรังศีจากบันทึกของมหาอมาตรีพญาทิพโกษาสอนโลหานันหนึ่งในพระอริยสงฆ์ของไทยที่มีแนวทางการสอนธรรมะที่โดดเด่นและประวัติของท่านมีเรื่องน่าสนใจจำนวนมากทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และข้อวัดปฏิบัติอีกทั้งท่านยังเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อทั้งอาณาจักร และศาสนาจักเป็นพระองค์สำคัญที่มีชีวิตอยู่ในสมณเพศถึงหแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่หได้ถวายคำแนะนำและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพศา ส, สนาไวมากมายเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวอริยชาติพดงกิจผูเบศถาพรคุณณาภาาทีรยตรี103อภิสิทธวังแก้ว เจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาครอบครัวเอี่ยมวงศรีครอบครัวโลติวิกุลนริสราพานาทีโอดอเชงสุภกิจนิ ม, มานรเทพยานินเวียงเกตครอบครัวคณิตวิชากุลร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง